พออบน้อมสักขุนพระรัตนตรัยโอกาสพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตมิกุกท่านจเจริญธรรมแม้ชีและญาติธรรมทุกท่านเราก็ปฏิบัติกันมาสี่ห้าวันแล้วเนาะท่ามกลางอากาศที่หนาวเนาะในช่วงนี้ก็คิดว่าตอนนี้ประมาณสัก12องศาได้เือจะต่ำกว่า ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาสัมผัสบรรยากาศหน้าหนาวกันนะเพราะหลายหลายคนก็ไปหาอากาศหนาวไปท่องเที่ยวนะเช่นที่เชียงใหม่นะเป็นต้นแต่เราก็ไม่ต้องไปไกลถึงขนาดนั้นเนาะเราก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศที่คลายคลายคลึงกันนะแต่บางคนก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์เหมือนกันนะบางคนเอออากาศหนาวไม่ใช่ว่าคนจะมีความสุข แต่ก็ทำให้มีคนมีความทุกข์ได้นะแล้วจริงๆก็หลายๆคนก็ตายจากอากาศหนาวเป็นจำนวนมากนะอย่างในประเทศทางโคราชเหน่งก็ตายปีหนึ่งมากมายจากอากาศหนาวนะเพราะว่าความหนาวนี่จริงๆแล้วบางคนก็ว่าเป็นความสุขแต่บางคนก็ว่าเป็นความทุกนะข์เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรานี้มีอะไรเกิดขึ้นนะ ชีวิตของเราในจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขทแท้จริงนะพระพเจ้าก็เลยทรงบอกแล้วว่ามีแต่วความทุกข์เกิดขึ้นทุกท่า น, นตั้งอยู่และทุกท่า น, นที่ดับไปนะอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นเขาไหมนะเพราะบางทีเราคิดว่ากาศหนาวเป็นความสุขแต่จริงๆก็เป็นความทุกข์นั่นแหละใช่ไหมถ้าเราไม่ทุกข์เราจะใส่เสื้อหนาวไปทำไมใช่ไหมนะเป็นสิ่งที่ว่าเราจะต้องรู้ในสิ่งเหล่านี้ว่าชีวิตคนเรานั้นจริงๆแล้ว ทั้งกายและใจนี้ก็เป็นแต่เครื่องที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ทั้งสิ้นนะอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้สวดมนต์ไปแล้วในการทำบัตเชานะการที่เราอมีความ <c oughs> ก็เรียกว่าชาติปีทุกขา <c oughs> มรนาปีทุกขัง <c oughs> การเกิดการแก่การเจ็บการตายนี้จึงเป็นความทุกข์นะเราก็ได้สวดไปแล้วนะ แล้วก็การพัดภาคจากสิ่งที่เรารักก็เป็นความทุกข์การประสบกับสิ่งที่เราไม่รักก็เป็นความทุกข์การปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นความทุกข์เนี่ยตรงนี้ต้องเห็นให้ชัดก่อนนะเราจึงมาปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจนะถ้าเราไม่ไม่เข้าใจในเรื่องความทุกข์เราก็ปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ว่าจะไปทํปทำไมนะโดยเพพาะท่านท่านที่ตั้งใจมาปฏิบัติรรเนี่ยจะต้องเข้าใจในตรงนี้อยู่แล้ว นะว่าเรามีความทุกข์เนะี่ยเราต้องออกจากความทุกข์ให้ได้นะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ไปเดนหนึ่งก็คือให้เรารู้จักความทุกข์และเราออกจากความทุกข์นั่นเองนะอันนี้จริงๆแล้วในพุทธศาสนาทั้งหมด8 000, 4, 000, ปดหมพันพธมรรคฐานก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้เลยนะก็คือให้เรารู้จักทุกข์แล้วก็หาทางปฏบัติเพื่อความดับทุกข์เท่านั้นเอง ถ้าเราจับประเด็นในตรงนี้ได้เราก็ไม่ยากนะว่าเรามาทําไมนะเราปฏิบัติไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราดับความทุกข์ได้นั่นเองนะถึงแม้จะดับไม่ได้หมดแต่ก็ดับได้เป็นบางส่วนก็ยังดีนะครัน้นี้ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรต้องต้องทําอย่างไรกับความทุกขนะ์ทุกข์ในอริยสัจสี่เราทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะสมุทัยเป็นสิ่งเราต้องละ นิโรเป็นทำเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้แจ้งมรรคเป็นสิ่งที่เราเราต้องทำให้เกิดคราวนี้ความทุกข์เนี่ยก็มี2อย่างก็มีความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายอย่างที่เมื่อกี้ก็ได้บอกแล้วว่าความทุกข์ทางกายก็เกิดจากความความที่เราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราหลีกไม่พ้นความทุกข์ที่จอรมาต่างๆเช่นความหนาว ความร้อนความหิวความง่วงความปวดเมื่อยเจ็บใครได้ป่วยทั้งหลายก็เป็นความทุกข์จีรมานะอันนี้เราก็หนีไม่พน้นเหมือนกันนะเราต้องแก้ไปเรื่อยๆนะเรานั่งเดือดเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินต่างๆเหล่านี้นะแก้ไปเรื่อยๆหิวแล้วก็ไปทานอาหารเดี๋ยวก็หิวอีกนะง่วงไปนอนเดี๋ยวก็ง่วงอีกนะมันก็เป็นสิ่งเราแก้แต่สิ่งเราแก้เราไม่ใช่ว่าเราดับได้นะแต่เราแค่แก้ชั่วคราวเท่านั้นเอง เราต้องคอยแก้ไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าความทุกข์ทางกายเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายนี่จริงๆแล้วเราแก้ไม่ได้หรอกเราแค่บรรเทาเท่านั้นนะส่วนความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจนี้เป็นทุกข์ที่อันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าความทุกข์ทางกายนะพะเมื่อเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอาจจะทนในสภาวะของจิตใจตรงนั้นไม่ได้ก็ไปฆ่าตัวตายกันมากมายก็เพราะว่าเราทนความทุก ทางใจไม่ได้นะแล้วความทุกข์ทางใจเนี่ยอาจจะเกิดบ่อยกว่าทางกายสิ่งเนาะนะเราคิดเป็นเรื่องอดีตเราก็มีความทุกข์แล้วจากการที่เราเข้าไปในรมต่างๆที่เราติดในอดีตต่างๆเหล่านั้นนะมีทั้งความผิดหวังความเสียใจความน้อยใจต่างๆเก็นะําความทุกข์ให้เราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางใจนีนะ้เป็นสิ่งที่ว่าลึกซึ้งนะยิ่งกว่าความทุกข์ทางกาย แต่ในขณะเดียวกันที่มีความลึกซึ้งฉะนั้นเรากลับแก้ได้และแก้ได้ถาวรด้วยนะอย่างเช่นพระรหัส น, นี้ท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นแต่ทุกข์ทางใจในท่านไม่มีแล้วท่านแก้ได้ในตรงนั้นเนะพราะงั้นการที่เรามาศึกษาพุทสนา น, นี้ไายความว่าเราแก้ทุกที่เฉพาะทางใจเท่านั้นนะเราไม่ต้องไปแก้ทุกทางกายหรอกถ้าเรารู้ประเด็นว่าเราจะแก้ทุกไหนเราก็จะง่ายขึ้นว่าเรา ศึกษาเพื่นาเพื่อจะแก้ทุกทางใจนะส่วนทุกทางกายก็เป็นเรื่องของนายแพทย์หรือเป็นเรื่องที่จิตใจเราจะสามารถที่จะแก้ไขความทุกทางกายให้ลดน้อยลงโดยการที่ใจของเรานี่ยอมรับสภาวะความทุกทางกายที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองคราวนี้ทุกเนี่ยในอริยสัจสี่บอกว่าเป็นสิ่งเราต้องรู้นะเรารู้ทันไหมทุกทางกายและทางใจนะเรารู้ทันไหม อาการแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือเราตามรู้ได้ไหมตามรู้กายและตามรู้ใจในขณะปัจจุบันตามความเป็นจริงการที่เราตามรู้กายนะก็มีอาการกล่าวไว้ในสติปัฏฐาน4ในหมวดกายานุปัสนาสติปัฏฐานแบอบกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอพึงรู้ในอาการ กิริยาอีบทใหญ่คือการยืนเดินนั่งนอนนะให้รู้ในตรงนั้นนะนะครั้งหนึ่งก็มีพราหมณ์ก็ถามพระเจ้า ว, ว่าท่านออกจากความทุกข์ถึงความสิ้นทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเดินยืนนั่งนอนพราหมณ์นั้นก็หัวเราะเยาะบอกว่าชาวบ้านเขาก็ยืนเดินนั่งนอนเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหมือนกัน เรายืนก็รู้เรายืนเราเดินก็รู้เราเดินเรานั่งก็รู้เรานั่งเราน อ, นอนก็รู้เรานอนเนีน่ยก็คือให้รู้ในอบทใหญ่ว่าขณะนี้เรากำลังทาอะไรอยู่แล้วก็ให้รู้ในอบทย่อยซึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะปะพ ะ, ะก็คือการก้มเงยคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดเลี้ยวซ้ายแลขวาเดิ น, นก้าวหน้าเดินถอยหลัง นะเข้าห้องน้าอุจจาระปัสสวะนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ให้รู้ไปนะตรงนี้เราสามารถรู้ได้ไหมนะอีบทใจหรือบทย่อยเป็นสิ่งที่มี อ, อยู่ในปากฏในภรัไตปิดกในข้อกายานุปัสนาสติปฐานนีนะ้แล้วก็มีเวทนา น, า, านุปนะัสนาสติปฐานเรารู้ในความที่เราจิตของเรามีสุขเวทนามีทุกขเวทนา มีอาทุกขมสุขเวทนาคือเฉยๆเนี่ยเรารู้ได้ไหมนะแล้วก็จิตนันุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือเรารู้ไหมว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไรนะมีราคะก็รู้มีราคะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะมีโมหะก็รู้มีโมหะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะจิตตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้จิตตั้งมั่น เรารู้ในตรงนี้ได้ไหมท ร, ร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานนะก็คือการรู้ในสภาวะธรรมนะตั้งแต่นะ อ, อริ ส, สัตถนะีขันห้านะนิวรห้าอเยตนะหโพชมงเจดคือเห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะโดยสภาวะที่เราสามารถที่จะเข้าไปรู้ได้ในสภาวะที่เกิดระดับนะของธรรมเหล่านั้นนะ ตรงนี้เราสามารถรู้ได้ไหมเนาะคราวนี้ความรู้เนี่ยมันก็กว้างเกินไปเราก็เลยจํากัดวงแคบที่ใกล้เข้ามานะในการที่ใกล้ตัวเราเน่แหละสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็มีลมหายใจเป็นต้นนะเราก็อาจจะรู้ได้นะแต่ถ้าเรารู้ไม่ถนัดในตรงนั้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราละเอียดเราก็กลับมารู้ไกลแท น, นอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้ว รู้ในการยืนเดินนั่งนอนรู้ในการคู่แขนเหยียดแขนดื่มกินพูดคิดทั้งหลายเราเนี่ยเราสามารถที่จะตามรู้ก็ได้ครัน้นี้ถ้าเราตามรู้ในตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราตามรู้เข้าไปเราก็จะไปเห็นจิตได้เองนะเราไม่ต้องไปตั้งใจคอยดูจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ค่อยไปไม่ต้องไปคอยดูความคิดคอยรู้ราคะาโทสะโมหะแต่อย่างใดแค่เราตามรู้กายแล้วเนี่ยอาศัยกายนี่เป็น <c oughs> วิหารธรรม คือเป็นเครื่องรู้คือเป็นเครื่องอยู่เครื่องรู้ของจิตแล้วเมื่อจิตมีเครื่องอยู่เครื่องรู้แล้วเขาก็สามารถไปรู้อาการที่ละเอียดของใจได้นะสามารถเห็นใจนึกคิดได้ตามความเป็นจริงถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราจะไปคอยดูใจเราไปตั้งใจดูใจไปคอยเพง่งคอยจ้องใจก็จะเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นนะก็จะเกิดอาการแข็ง ทื่อๆซึมๆมึนๆคลิกเครียดตามมาตรงนั้นแสดงว่าเราดูจิตใจไม่ถูกต้องเราตั้งใจที่จะดูเขาเขาก็แสดงอาการที่ผิดปกติให้เราเห็นทันทีนยกตัวอย่างเช่นถ้าใครตั้งใจไปดูความโกรธสักอย่างหนึ่งเขาก็ไม่แสดงเราเห็นหรอกแต่ในขณะนั้นเราจะเริ่มมีความเครียดแล้วแต่เราไม่รู้เรามีความเครียดแล้วก็ไม่รู้ พอเราไปค่อยตั้งใจดูความโกรธแต่เรากลับไม่เห็นความเครียดในจิตใจของเรานะนนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราทําผิดปกติแต่ถ้าเราไปค่อยรู้กายตามความเป็นจริงนะอาการยืนเดินนั่งนอนนะคู่แขนเหยียดแขเนเหล่านี้นะเมื่อเราอยู่กับกายอย่างสบายๆรู้เท่าทันนะเข้าในอาการปัจจุบันตามความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถที่จะสังเกตจิตใจของเราได้เองนะ ตอนที่หลวงพ่เทียนท่านเข้าใจทำใหม่ใหม่ท่านก็บอกว่าในวันนั้นท่านก็เดินจงกรมนะเดินจงกรมท่านก็รู้สึกมกือันมีใครมาผักท่านถ้าสังเกตโอเป็นความคิดเห็นความคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประเดินต่อมาก็มันก็มีใครมาผักบ้านเอวิ๋ท่านก็เห็นเออเป็นความคิดนั่นเองนะคือท่านเดินจงกรมแต่ท่านไม่ได้ไปตั้งใจดูแต่ใ น, ในขณะนั้นเมื่อมีความคิดเกิดขึ้นท่านก็รู้เท่าทันนะตรงนี้เนี่ย ต่อมาท่านก็เข้าใจธรรมะบรรลุธรรมได้นะเพาท่านสามารถที่จ ะ, ะสังเกตอาการจิตใจที่เขาคิดได้นะจากการที่ท่านเดินจงกรมนั่นเองนะเพราะฉนั้นถ้าเราอยู่กับอาการที่ว่ายืนเดินนั่งนอนอคู่แขร่เย็ดขาต่างๆเหล่านี้นะเราก็ทําให้ต่อเนื่องกันเราก็สามารถสังเกตจิตใจได้เหมือนกันนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจเป็นสภาวะที่เขาขึ้นขึ้ลงลงไม่ไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะบางครั้งเขาก็คิดคิดไปเรื่อยๆน ะ, ะยิ่งเราปฏิบัตินี่เราจะเห็นความคิดบ่อยนะบางทีเราจะสงสัยทําไมเราอยู่บ้านไม่ค่อยคิดนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วทําไมถึงคิดมากกว่าเก่านะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเพราะเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะเพระนะั่นหลวงพ่เทียนท่านยับอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นั่นเองนะ การที่เรายิ่งคิดยิงรู้หมายความว่าการที่เราฝึกนี้เราต้องจับประเด็นให้ถูกนะว่าเราไม่ใช่ปฏิบัตเพื่อให้จิตสงบไม่คิดอะไรนะแต่เป็นการฝึกให้จิตมีการตื่นรู้ตื่นรู้ความคิดนั่นเองเมื่อเรามีความคิดเกิดขึ้นแล้วเรารู้ทันอันนี้คือการที่เราสามารถระลึกได้อันนี้เป็นสติแล้วรู้เท่าทันความคิดนี่เกินเป็นสติแล้วนะ อันนี้เราจะได้จิตตื่นตัวขึ้นมาจากการที่เราสามารถที่จะสังเกตเห็นความคิ ด, ดบ่อยๆนี่แหละทให้จิตตื่นตัวขึ้นมาเพราะนั้นการที่เรามาฝึกสติจเจริญสติหมายความว่าเป็นการทำให้จิตเขาตื่นตัวนั่นเองนะตื่นตัวขึ้นมาที่จะรู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจจิตจะได้ไม่ซึมเศร้าไม่หลับไหลไม่จมแช่อยู่ในอาการอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะ ถ้าเราจับประเด็นนี้ถูกเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้ก็ง่ายไม่ยากเนาะแต่ถ้าเราไปคอยตั้งใจที่จะไปบังคับบัญชาเขาตามเราต้องการต้องไม่คิดนะต้องสงบนะหรือต้องให้มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาต้องไม่พลาดจากการรู้สึกตัวเลยอันนี้เราไปบังคับเขาเราก็จะมีความทุกข์ในสภาวะธรรมในตรงนั้นเพราะการ ปฏิบัติธรรมนั้นนะก็คือการที่เรารู้ธรรมะรู้ธรรมตามที่เขาเป็นเป็นความจริงไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้เขาเป็นนะถ้าเรารู้ตามที่เราอยากเขาเป็นนั่นคือสมถะแล้วนะเพราะนั่นคือการไปบังคับควบคุมไปคอยปรุงแต่งนะไปคอยที่จะควบคุมเขาให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะตรงนั้นจะทำาเรามีความทุกข์อีกต่างหาก แล้วก็ไม่ใช่เป็นวิปัสสนาแต่ว่าเป็นสมถะวิปัสสมถะก็คือการที่เราไปคอยอที่จะตามควบคุมเขานั่นเองนะให้เขาดีตามเราต้องการนั่นแหละเราก็มีความทุกข์แล้วก็เป็นตันหาในตรงนั้นด้วยนะส่วนวิปัสสนาก็คือเราสามารถรู้ไปตามความเป็นจริงที่ก็เป็นนะรู้แม้แต่สิ่งที่ว่าเขาจะไม่ดีน ะ, ะเป็นอาวุโสนเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการ แต่ว่าเป็นความจริงของขณะนั้นเราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงนี่แหละคือวิปัสสนาแล้วผู้วิปัสสนาเมื่อเรารู้ในตรงนั้นเราก็จะเข้าใจถึงสภาวะที่เขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาบังคับบัญชาไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเมตตนนะเพราะว่าเขาเป็นสภาวะของเขาจริงๆแต่ถ้าเราไปทําให้เขาดีให้เขาเป็นแบ่เราที่เราต้องการแล้วเราก็จะไม่เห็นสภาวะเหล่านั้นตามความเป็นจริงนะ อันนี้มันก็เป็นความทุกข์ในการที่เราเกิดตัณหาในการปฏิบัติธรรมเพราะลมงพเทียน จ, จึงได้บอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีน ะ, ะเพราะนั้นก็คือสมถะทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ไปตามความเป็นจริงที่ก็เป็นนั่นแหละไม่ต้องดีหรอกแต่ว่านั่นคือความจริงในขณะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนี่คือวิปัสสนาแล้วเพราะเมื่อเราเข้าใจสภาวะจิต บ, บ่อย เช่นความคิดนะเราจะเห็นเขาเกิดขึ้นบ่อยๆนะเราก็จะเห็นว่าเออเขาก็เกิดเขาเองนะเราก็บังคับบัญชาเขาไม่ได้หลอกอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะอารมณ์ได้มีมากมายนะก็เช่นความรักความโลภความโกรธความหลงความชังความอิจฉาริษยาความเกลียดความกลัวความเหงาความเครียดความมิจฉาความมืองห่วงอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เขาก็เกิดเขาอยู่บ่อยๆเหมือนกัน นะเพียงแต่เราสังเกตเขาทันไหมนะแล้วเมื่อเราสังเกตเขาบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าเออเข้ามาแล้วเขาก็ดับไปเข้ามาเขาก็ผ่านไปโดยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่ไปให้ค่าในตรงนั้นเขาก็ผ่านไปแต่ตาบใดที่เราไปให้ค่าเขาในตรงนั้นเขาก็จะอยู่กับเรานานนะเขาก็จะไม่จากไปเร็วเมืาเราไปให้ค่ากับเขานะไปสนใจเขาไปคิดว่าเขามาด่าเรา เขามาลักเราต่างๆเหล่านี้เขาก็อยู่กับเรานานนะเกิดจากการที่เราให้ค่ากับเขานั่นเองนะแต่ถ้าจิตเรามีกำลังเราก็จะกลายเป็นว่าเรารู้เฉยๆนะเราไม่ให้ค่าในตรงนั้นเขาก็ผ่านได้หมดนะพระหลวงพ่อเทียน จ, งจึงบอกว่าให้รู้เฉยๆก็พอแล้วทุกๆอย่างไม่ต้องไปให้ค่าไม่สนใจก็จะกลายเป็นว่าสักแต่ว่าไปกับทุกๆลมแล้วก็จะผ่านไปได้นะ ตรงที่เราสามารถรู้เฉยๆได้ก็เกิดจากการที่เราสามารถสังเกตเขาได้ไวนั่นเอง <c oughs> การที่เราสังเกตได้ก็ชื่อว่าเรารู้แล้วนะอะเป็นตัวรู้เฉยๆเท่านั้นเองตรงนี้มันจึงมาตรงกับอริสัต4ี่ในข้อที่ว่าทุกเป็นสิ่งที่เรารู้เรารู้เท่านั้นเองแล้วไม่ต้องไปไปขับไล่เขาไม่ต้องไปทำให้เขาหมดไปไม่ต้องไปคอยละเขาเราแค่รู้ก็พอแล้ว แลมันก็จะตรงกับที่อริยสัจสีได้กล่าวไว้เลยว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้นะแต่ถ้าเราไปผักใส่เขามีความโกรธแล้วก็ทําให้เขาไม่โกรธเขาดับไปเร็วอันนั้นก็คือเป็นการแทรกแซงสภาวธรรมอันนั้นก็คือเป็นสมถะอีกเหมือนกันนะเป็นการผักไส่ตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องอีกนะและอีกอย่างหนึ่งพอเราทําได้เออเรากําจัดเขาได้ก็กลายว่าตัวตนของเรานี้ เราเก่งเราดีเราวิเศษเราสามารถที่จ ะ, ะกําจัดอารมณ์ต่างๆได้สามารถทละเขาได้ตรงนี้ก็กลายเป็นว่าเรามีความเป็นตัวตนเราบังคับเป็นชาเขาได้อีกเพราะนั้นการที่เราจะยะละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนมันจึงไม่เกิดขึ้นในตรงนั้นนะแต่กลายเป็นว่าเรายึดในตัวตนว่าเราดีเราวิเศษแล้วนะอันนี้จึงเป็นสมถะทั้งหมดนะแต่พิปกาคือเรารู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ เขาเกิดขึ้นเราก็แค่รู้เฉยๆก็พอแล้วเขาจะไปหรือจะไม่ไปก็เป็นเรื่องของเขาเองนะแต่ถ้าเรารู้ด้วยจิตที่เป็นกุศ ล, ลจิตแล้วคือรู้เฉยๆนะจิตที่เป็นกุศลนี้เขาเรียกว่ามันก็จะไปเป็นละอากุศลได้เพราะจิตจะเกิดขึ้นแต่ละดวงแต่ละขณะเท่านั้นจะไม่เกิดขึ้นทีละสองขณะ2ดวงนะเพราะจิตที่เป็นกุศลคือสติเกิดขึ้นแล้วจากการรู้ เขาก็สามารถดับของเข้าไปเองได้แล้วนะเราไม่ต้องไปคอยช่วยก็ดับและเราก็จะเห็นความเกิดความดับตามความเป็นจริงที่เขาสามารถเกิดระดับได้เองนะเราก็จะเข้าใจสภาวธรรมที่เขาเป็นไปเช่นนั้นเองนะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะในการมาการไปของเขานะเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนะเช่นความคิดเหรือลมต่างๆเหล่านั้น เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะรู้เห็นบ่อยๆเกิดความเห็นซ้ำๆทักซากในตรงนั้นบ่อยๆจิตก็จะเกิดความเข้าใจในสภาวะที่ยวเกิดขึ้นของเขาความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของลมเหล่านั้นโดยตัวเขาเองนะจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายว่าสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นนะมันเป็นสภาวะธรรมที่เขาเกิด ของเขาเองไม่ใช่ของเรานะเห็นบ่อยๆเช่นนั้นเขาจะเกิดความเข้าใจว่าทุกอย่างจิตเหลือลมทั้งหลายต่อนั้นนะความคิดก็เป็นความไม่เที่ยงเป็นความทุกข์เพราะว่าทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะเป็นนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาเขาไม่ไดนะ้จิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดเบื่อหน่ายก็จะเกิดการคลายกาหนัดนะเมื่อเกิดกายกำหนัดก็จะเกิดความหลุดพน้นเะมื่อหลุดพ้นก็รู้หลุดพน้ดพนแล้วนะเพราะจิตเขาจะนะ ที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในตรงนั้นอีกต่อไปนะมันก็จะวางอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นโดยตัวของเขาเองนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็จากการที่เราตามรู้กายรู้ใจนะไปตามความเป็นจริงนั่นเองนะการรู้กายรู้ใจนั้นนะมันก็เริ่มจากการที่เราเริ่มต้นรู้กายก่อนนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราง่ายนะในชีวิตประจำวันของเราอนะ่การประบัติธรรมก็คือเราสร้างจังหวะ14จังหวะ และเดินจงกลมอันนี้ก็เป็นในรูปแบบซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่นอกจากนั้นมีมากมายนะตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนี่เรารู้ได้ไหมพระอาจารย์ไปสารเคยไปอยู่กับลงพ่อเทมใหม่ถามลงพ่อเทมบอกว่าผมจะไปบัดทำเวลาไหนบ้างครับหลงพ่อเทมบอกว่าให้ไปบัดตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเลยนะ ตรงนี้ก็คือถ้าเราทําได้อย่างนี้นะมันก็จะพัฒนาได้เร็วขึ้นนะไม่ใช่ว่าเรานี่เป็นเวลาปฏิบัตินี่เป็นเวลาไม่ใช่ปฏิบัตินะเราก็จะช้านะอ่านะเพราะว่าเวลาที่เรานอกรูปแบบหรือไม่ใช่การปฏิบัติในรูปแบบนั้นมีมากมายนะเราสามารถที่จะตามรู้ไปในอบทต่างๆได้นะไม่ว่าเราจะแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำํำนะกวาดพื้นถูพื้นซนะักผ้า พัพพหมต่างๆเหล่านี้เราตามรู้ไปได้ตลอดเลยนะตามรู้แบบสบายๆนั่นแหละไม่ต้องไปรู้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ให้รู้บ่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรอแต่ถ้าใหม่ๆเรารู้สึกว่าใจเราจะลอยเราก็ให้รู้ให้ชัดเจนก่อนก็ได้นะอการที่เรารู้นอกรูปแบบนั่นแหละเช่นเราพัพพหมเราก็ตั้งใจรู้เปิดสลายะหนึ่งก่อนก็ได้นะเมื่อจิตของเขามีความตั้งมั่นแล้วเขาก็จะรู้เข้าได้เองนะ ตรงนี้เราก็ทําให้รู้บ่อยๆไม่ต้องรู้ตลอดเวลารู้ทั้งวันเพอบ้างรู้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราทําให้รู้บ่อยๆเท่านั้นเองจิตก็จะเริ่มที่จะเคยชินการที่จะรับรู้ในการเคลื่อนไหวของกายได้มากขึ้นทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบนี้จิตจะเริ่มที่จะเคยชินในการรับรู้เมื่อเขารับรู้ได้แล้วเขาก็จะไปรับรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันได้ด้วยเช่นความคิดหรือลมต่างๆเขาก็รับรู้ได้ด้วย เพราะว่าเขาเริ่มรับรู้ได้แล้วนะก็คือเราเปลี่ยนจากจิต ท, ที่เขาหลงให้เป็นรู้นั่นเองนะเพราะคนเราปรกติก็จะหลงอยู่บ่อยๆแล้วนะเราไม่ต้องฝึกหลงหรอกแต่จิตเขาหลงอยู่แล้วนะแต่เมื่อเราฝึกให้เขารับรู้นั่นแหละก็คือการที่เราเติมน้ําดีลงไปน้ําเน่าก็จะน้อยลงนะเพราะนั้นเรารับรู้ได้บ่อยๆจิตก็จะชานาญในการที่จะรับรู้ได้มากขึ้นเพราะเมื่อเขารับรู้แต่ละครั้งนั้นความหลงก็ลดลงไปดูอีกครั้ง จากการตรงนี้จึงไม่ต้องว่าเราไปละกิเลส น, นะเพียงแต่เรารู้บ่อยๆแล้วเนี่ยความหลงเร่ลมที่ไม่ดนะีเราจะรู้ทันไปเองเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นการละกิเลสไปในตัวนะเพราะความเคยชินต่างๆเช่นเราเมื่อก่อนเป็นคนโกรธเกง่งแต่เมื่อเรารู้บ่อยๆความโกรธก็จะค่อยๆลดลงลดลงไปนะเพราะว่าอกุศลไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาจากการที่เรามีตัวรู้เกิดขึ้นนั่นเอง นะอันนี้เป็นการที่ว่าเราละสมุทัยไปในตัวเองนะจึงว่าการที่เรารู้นั่นแหละเป็นการละสมุทัยในตัวเขาเองแล้วนะเราไม่ต้องไปตั้งใจละแต่เขาละโดยตัวเขาเองแค่เรารู้บ่อยๆเท่านั้นเองอานะรมณ์ต่างๆอกุศลก็มีโอกาสที่จะแสดงขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็กลายเป็นคนโกรธเก่งอย่างเก่านะตัวนี้เกิดจากการไม่รู้นั่นเองนะเพราะนั้น ที่ในอริสัตย์สีบอกว่าทุกเป็นสิ่งต้องรู้ก็คือเรารู้นั่นเองนะตรงนี้เมื่อเรารู้ไปบ่อยแล้วนะก็จะเป็นการละกิเลสต่างๆได้เองนะการที่เรามาฝึกทั้งหมดนี้ก็คือเราฝึกในการรู้นั่นเองนะรู้อยู่บดใหญ่ยืนเดินนั่งนอนอยู่บดย่อยคู่แขนเหยียดแขนเช่นสืบสี่จังหวะเป็นต้นแล้วก็ดื่มกินพูดคิดนะอาบน้ําแปรงฟันล้างหน้ากนะวาดบ้านถูพื้นต่างๆนั่นเองนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรารู้ในตรงนั้นแล้วจิตก็จะเกิดการพัฒนาในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเหมือนกับเราว่ายน้ําเป็นนะพอเราว่ายน้ําเป็นปั๊บเนี่ยเราหัดว่ายในสระน้ําก็คือธีวัดนะแต่พออกคกทะเลใหญ่ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านอยู่ในที่ทํางานเราก็สามารถสามารถที่จะว่ายน้ําเป็นเหมือนกันนะเราก็นําไปใช้ประโยชน์ต่อที่โรงพยาบาลที่ทํางานที่บ้านเราได้เลยเนาะนะนะเพราะฉะั้นทุกทุกแห่งก็คือ สถานที่ปฏิบัติธรรมของเราได้ทั้งหมดเพราะสถานปฏิบัติธรรมไม่ใช่แต่ที่วัดที่สถานปฏิบัติธรรมที่ใดแต่ทั้งหมดปฏิบัติที่กายและใจของเราเท่านั้นเองนะในสุดท้ายนี้ก็ขอทุกท่านจเจริญด้วยสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทอญ